นี่คือรายการธรรมะรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอาตมาพระไพบูลอภิปุนโนจากวัดป่าดอนไหโสโศกอำเภอดน้องหานจังหวัดอุดรธานีก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทางรายการธรรมะรับอรุณนี้โดยในวันจันทร์ก็จะนําเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของปริยัตคือข้อมูลที่เราจะต้องทราบ ในในลักษณะที่ไม่เป็นงูพิษในวันอังคารก็จะนาเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นปัจจุบันเ น, นื้อหาเรื่องเกี่ยวกับธรรมะสิ่ง ใ, ใดในเป็นปัจจุบันที่เราพอจะเห็นธรรมะได้ก็จะเอามาคุยมาเล่าให้ฟังส่วนในวันอังคารก็จะเป็นการถามตอบปัญหาจะเป็นตอนตามใจท่านละท่านต้องการทราบสิ่งใดถามมาแล้วก็เป็นตอนตามใจฉัน ฉันต้องการตอบสิ่งใดฉันก็จะตอบไปละ่ะหรือว่าถ้าไม่มีอะไรมากก็จะเล่าเรื่องที่ฉันต้องการเล่าให้ฟังส่วนในวันพฤหัสก็จะเป็นพุทธวจนะทําวินัยจากพุทธโอษฐ์เอาเนื้อหานะที่เป็นพระสูตรบ้างเป็นคาถาบ้างที่พระชาวได้เคยตรัสเอาไว้มาตัดตอนรวบรวมเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็มาเล่าให้ฟังมาอ่านให้ฟังส่วนในวันศุกร์ ขอรายการธรรมระบรุนแเราก็จะเอาเนื้อหาที่เป็นพุทธวจนะที่แสดงในวันพฤหัสเนี่ยมาอธิบายให้ฟังส่วนภาคเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นการสาาาักษาคุยธรรมะกันระหว่างอาตมาพระไพบูุบก์กับคุณเตือนใจสินธุวนิชกรองอธิบดีคมประชาสัมพันธ์ซึ่งในรูปแบบรายการรูปแบบใหม่นี้เราก็ได้ปรึกษากันกับทางเจ้าหน้าที่ทั้งหน้าใหม่ทั้งหลังใหม่ หน้าใหม่ก็จะมีอัตมาแล้วก็คุณเตือนใจด้วยหลังใหม่ก็จะมีคุณปัญญาบ้างคุณแปลพันธ์บ้างแล้วก็ผู้อำนวยการสถานีก็ได้คุยกันว่าเออเราจะจัดในรูปแบบลักษณะนี้นำไปดูสักระยะหนึ่งก่อนดูซิว่าท่านผู้ฟังมีข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างแล้วก็ในการที่จะนําธรรมะมาแสดงนี้ก็จะใช้หลักที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านะหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นพุทธวชนะ นะท่านผู้ฟังฟังในเวลาเช้าๆอย่างนี้อาจจะฟังจากทางเครือข่ายของสถานีไม่ว่าจะเป็นคลื่น FM หรือว่าคลื่น AM หรือทางคลื่นสั้นหรือทางอินเทอร์นเนต็ตก็แล้วแต่นะฟังไปแล้วก็จะฟังเวลาไหนก็ได้นะฟังไปแล้วก็ลองใคร่ครวญดูนะคิดหาเหตุผลในธรรมะคือการฟังธรรมะเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่า เ, าเคยถามพระนะคือเล่าให้พระภิกษุเนี่ยฟังว่าถ้ามีคนที่มาชอบถาม มาถามเธอว่าฟังธรรมเนี่ยฟังไปเพื่ออะไรนะจะสําเร็จประโยชน์ได้ยังไงในะประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากธรร ม, มะเนี่ยมีได้เพราะฟังอย่างไรนะพระเจ้าก็สอนให้พระเนี่ยอธิบายให้ผู้ถามฟังว่าถ้าเผื่อมีจาการถามอย่างนี้นะให้ตอบไปเลยว่าคือการฟังเนี่ยฟังแล้วจะต้องจําแนกได้ออกเป็น2 ส, ส่วนคือส่วนเหตุและส่วนผลส่วนที่ทําให้เกิดทุกข์และส่วนทางแก้ของทุกข์ คือเหตุเกิดทุกข์และตัวทุกข์นี่แยกเป็นส่วนหนึ่งส่วนความดับของทุกข์และทางแก้อีกส่วนหนึ่งนั่นคือแยกให้เห็นเหตุและผลแยกให้เห็นปัญหาและทางแก้ไขวว้กันเถอะเพราะฉะนั้นในรูปแบบรายการนี้เราก็จะแบ่งเป็นลักษณะอย่างนี้นัคือเอาข้อมูลที่เป็นปริยัตให้ทราบด้วยแต่เป็นลักษณะที่ไม่เป็นงูพิษซึ่งในวันจันทร์นี้จะมาพูดถึงเรื่องปริยัตที่ไม่เป็นงูพิษนี้แหละในปริยัตที่ไม่เป็นงูพิษนี่คืออะไร นะคือทําความเข้าใจตรงนี้สักนิดหนึ่งก่อนนะเพื่อที่จะเมื่อท่านผู้ฟังเข้าใจแล้วเนี่ยจะได้เข้าใจเนื้อหาแก่นแท้ของคําสอนพระพุทธเจ้าได้นะคือคําสอนที่เป็นปริยัติเนี่ยพระพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้ว่ามีส่วนที่เป็นคําพูดบ้างเป็นคําอุทานบ้างเป็นเรื่องเล่าบ้างเป็นบทสนทนาบ้างเป็นคาถาบ้างเป็นบทสรุปท้ายคําสนทนาบ้างโอ้มีหลายอย่างมีทั้งหมด9อย่าง ที่พระพุทธเจาจะใช้คําว่าเป็นพระสูตรเป็นคาถาวยากรณะอภูตธรรมะอิติวุตธกะอะไรต่างชาตกะเนี่ยนะเป็นคําพูดเป็นเรื่องราวที่เล่าเป็นลักษณะของคําพูดบา ง, งอางเถอะถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านเราเนี่ยก็เรียกว่าความรู้ทนะกอักษรศาสตร์อักษรศาสตร์เนี่ยคือบางทีมันเป็นคําอุทานเป็นคําอธิบายเป็นคําพูดอะไ ร, ะไรลักษณะต่างๆไม่เหมือนกันอะไงี้นนะทีนี้ไอ้เรื่องอักษรศาสตร์เนี่ย เราจะต้องรู้ในลักษณะที่ไม่เป็นงูพิษอย่าให้ความรู้เนี่ยมาสร้างปัญหากับเราเราเห็นอยู่ในห ล, ลายๆโอกาสเนาะที่คนมีความรู้ทุ่หมหัวเอาตัวไม่รอดก็มีนั่นนี่แหละคือคนที่พระพุทธเจ้าพูดถึงลักษณะของปริยัติที่เป็นงูพิษคือความรู้ทุ่หมหัวแล้วเอาตัวไม่รอดเอาตัวไม่รอดจากความทุกข์ทุกอย่างไงก็เอาความรู้ที่ตัวเองมีเนะี่ยไปทิ่มแทงคนอื่นเอาความรู้ที่ตัวเองมีเนะี่ยไปใช้ในทางไม่ดี หรือว่ามีความรู้อยู่ไม่รู้จักเอามาใช้เวลาเกิดปัญหาเอาตัวไม่รอดนะมีทั้งสองนัยยะคือใช้ความรู้ที่มีในการทำไม่ดีหรือตัวเองมีความรู้อยู่แต่ถึงเวลาจะต้องใช้ใช้ไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นปริยัติที่เป็นงูพิษเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงเปรียบเทียบกับเหมือนคนที่เรียน ค, ความรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วนะไปเอาใช้ไปในทางที่จะทิ่มแทงคนอื่น ให้ลทัทธินู้นให้ความคิดนั้นล่มไปใช้ในการด่าคนอื่นใช้ในการยกกตนข่มท่านคิดว่าตัวเองดีคนอื่นไม่ดนะีนี่คือพวกที่เป็นงูพิษมีความรู้อักษรศาสตร์เอาตัวไม่รอดนะเป็นประยัดที่เป็นงูพิษเปรียบเหมือนกับคนที่จะไปหางูนะคือเขาต้องการงูนะเอางูมาทําเซรัม่มหรือเอางูมาใช้ประโยชน์อื่นๆนะปรากฏเขาไปเขา้าเลยเข้าไปในป่าเข้าไปในป่าแล้วเนี่ยก็ไปหางูใช่ไหม หมองูเนี่ยจะรู้ว่างูมันไปอยู่ที่ไหนอาจจะอยู่ตามจอมปลวกบ้างพลปลวกบ้างเนะื้อรู้ร่องรอยการเดินทางของงูเสร็จพอไปเจองูแล้วปรากฏว่าไม่ดูให้ดีเนะื้อรีบจับงูเข้าที่ตัวจับงูเข้าที่ตัวเนี่ยคืองูเนี่ยมันมันก็เลือ้อยได้ใช่ไหมตัวมันยืดยืดหยุ่นหยุนแล้วก็โค้งไปโค้งมาแต่มันก็อ้อมากัดชกเข้าให้ที่มือผู้ที่ไปหางูนั้นก็ได้รับผิด ได้รับทุกเจียนตายหรือไม่ก็ตายไปเลยด้วยนะนี่คือของอุปมาอไปมาที่พระเจ้ายกไว้ว่าเฮ้ยเธอเวลาเรียนหนังสือเนี่ยเวลาจะรู้ความเรียนเรื่องประยัดมีความรู้ทนะอักษรศาสตร์อย่าให้เกิดปัญหานะนี่คือทัศนะนี้ไม่เกิดปัญหาต้องทำยังไงก็เหมือนกับหมองูเนี่ยไปจับงูรู้ว่างูอยู่ที่ไหนใช่แล้วก็เห็นงูแล้วก็เอาไม้นะที่มี ด้ามอย่างเท้าแพะคือมีปลายของมันเนี่ยอย่างเท้าแพะคือสามารถกดลงไปมีด้ามที่บานๆออกนะปลายที่บบานออกของมันเนี่ยก็กดงูออกไวปที่ตัวงูมันก็ดิ้นไม่ได้ดิ้นไปไหนไม่ได้เนี่ยกดงูเอาไว้เสร็จแล้วก็จับอย่างระมัดระวังเข้าที่หัวนะพอจับอย่างระมัดระวังเข้าที่หัวแล้วเนี่ยปรากฏว่าตัวมันก็ยังมีใช่ไหมงูมันก็อมตัวมันเนี่ยมาพันรอบแขนเรา แต่มือจับหัวอยู่อย่างแน่นหนาเลยนะไม่หลุดไปได้คือไม้ตอนนี้ก็ปล่อยออกละแล้วก็เอามือจับหัวอย่างแน่นแล้วตัวถึงมันจะมาพันรอบตัวเราเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับอันตรายจากพิษของมันแล้วก็ไม่ได้รับทุกขไม่มีปัญหาจับงูได้ใช้ประโยชน์จากงูที่จับนี้ได้เปรียบเทียบกับบุคคลที่รู้เรียนมีความรู้ทางด้านปริยัติแล้วก็รู้ว่าโห้ยรู้ภาษาบาลีด้วย เราก็รู้ว่าโอ้พระเา พ, พูดพระสูตรนี้กับคนนี้นะเสร็จแล้วกลาว่าวคาถานี้มีครั้งนั้นไปอยู่ที่นั้นแล้วอุทานมาว่าอย่างนี้รู้หมดเลยนะพอรู้แล้วเนี่ยก็ใช้ประโยชน์จากความรู้ที่ตัวเองมีทำให้ตัวเองเนี่ยพ้นจากทุกนะหมายความว่ า, าปล่อยวางนะรู้จักซ้อนคนอื่นใช้ความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยยงเกิดประโยชน์นะเป็นปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษเนะพราะฉะนั้นอไอ เนื้อหาในวันจันทร์ของรายการธรรมราบรุนเนี่ยจะพูดถึงนาัยานี้ว่าเราจะเอาความรู้ที่เรามีหรือว่าความรู้ที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรอย่างสมมติว่า เ, เด็กคนหนึ่งแบบเพิ่งคลอดออกมาจากคันมารดาเลยคลอดมาพลวะออกมาเนี่ยไม่มีความรู้เดๆทั้งสิ้นเลยนีไม่ได้ไปโรงเรียนไม่มีความรู้ใดๆทั้งสิ้นเนี่ยถามว่าคุณจะมาปฏิบัติธรรมะเนี่ย คืออย่างน้อยมันต้องพูดภาษาคนรู้เรื่องอะนะหรือพูดภาษาเข้าใจกันถ้าอาตมาพูดภาษาลาวอย่างเงี้ยพูดภาษาจีนอย่างเงี้ยเด็กคนนั้นก็ต้องฟังภาษาจีนหรือภาษาลาวได้ใช่ไหมแต่ว่าพอพูดท่านหนึ่งแล้วเนี่ยก็ถามว่าคุณจะต้องการมาเรียนรู้ธรรมะโดยที่ไม่มีความรู้ใดๆมาก่อนเลยเนี่ยคือคนที่ไม่มีความรู้ใดใดมาก่อนเลยแล้วจะมาเรียกว่าปฏิบัติธรรมได้เนี่ยหรือว่าจะมาเรียกว่าปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้สักอย่างใดอย่างหนึ่งสมมุติว่าเอาเป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยอะ ถ้าคุณต้องการจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ปฏิบัติธรรมเนี่ยปล่ยวงได้หมดจดไม่มีกิเลสเหลือเลยแม้แต่นิดเดียวนะแล้วคุณไม่เรียนจากใครสักคนใดคนหนึ่งนะโอ้ยอันนี้เป็นไปไม่ได้นอกจากคุณจะเป็นปรพรนะพุทธเจ้านี่ยคือรพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องเรียนรู้จากใครนะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องการมาปฏิบัติธรรมเรียนรู้ธรรมะให้ถึงขั้นปล่ยวางได้หมดจดบริสุทธิ์เนี่ยคุณต้องเป็นปรพระพุทธเจ้าแล้วนะคุณถึงไม่ต้องเรียนจากใครแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นปรพระพุทธเจ้า นะคนนุณยังต้องเรียนอยู่คุณก็ต้องเรียนจากใครสักคนใดคนหนึง่งนั้นในการเรียนตรงนี้ก็ถามว่าเรียนอะไรเรียนเท่าไหร่ถึงจนะพอมีความรู้ประยัดเ e ท่าไหร่ถึงจะพอที่จะทำให้เราคลายความทุกข์ได้นี่คือประเด็นที่อาจมาจะต้องการจะนําเสนอคุณต้องมีความรู้ประยัดเท่าไหร่ถึงจะพอที่จะทําให้เราตรัสรู้ได้รู้ธรรมะได้ปล่อยวางได้รู้ที่สุดของธรรมะได้เข้าถึงพระพุทธรธรรมประสงค์ได้ต้องรู้เท่าไหร่ ถามว่ารู้เท่าที่เรารู้มาพอไหมหรือรู้จากใครนี่คือเนื้อหาของประยัติที่ไม่เป็นงูพิษสมมติว่าธรามาเนี่ยพอจะพูดประจักิ์ใได้บ้างแต่เราก็ไม่มีความรู้ธรรมะใดๆมาก่อนเลยอยูมาก็เปิดมาฟังรายการธรรมาระบบรุณฟลุกๆมาเจอเปิดมาฟังเสร็จปุ๊บเอ๊ะเราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าบอกววาอย่างนี้ว่าบุคคลที่เป็นสาวกเนี่ยนะ ไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนเลยนะถ้าฟังธรรมแม้เพียงบทเดียวขอบทเดียวบทไหนก็ได้บทเดียวบทเดียวแล้วไงปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่นะอย่างเนี้ยปฏิบัติให้ถึงที่สุดเนี่ยผู้นั้นเนี่ยจะชื่อว่าเป็นพหูสูตรผู้ทรงธรรมเป็นพระหูสูตรแล้วนะพหูสูตรนี่แปลว่าผู้ที่มีความรู้มากมีความเรียนมากคือรู้มากมากนั้นเถอะ เพราะฉะนั้นคนที่เป็นพระหูสูตรเนี่ยไม่ใช่ว่าจําเป็นว่าคุณจะต้องจําพระสูตรได้เยอะหรือ ม, มีความรู้ปริยัตมากแต่ถ้าคุณมีความรู้ปริยัตแบบที่ไม่เป็นงูพิษแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมขอ บ, บทเดียวคุณก็ชื่อว่าเป็นพระหูสูตรได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่จะกล่าวในช่วงเนื้อหาของปริยัตที่ไม่เป็นงูพิษเนี่ยทุกหมดจะต้องสามารถลงมารวมกันที่พาคุณไปตรัสรู้ได้ หากคุณปล่อยวางได้ภาคคุณเป็นพระอาหารหันต์ได้ต้องเป็นอย่างนั้นขอบทเดียวเพราะฉะนั้นคําสอนของพระเจ้าทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นบทไหนบทเดียวบทนั้นแหละทําให้เป็นพระอาหารหันต์ได้ทํำยังไงแต่เราจึงจะมาอธิบายในรายการธรรมาราบรุนภาคปริยัติที่ไม่เป็นโหพิษนี่แหละที่ว่ามายืดยาวทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อให้ทราบก่อนว่าปริยัติเป็นอย่างนี้น้ำพระโอษฐ์เป็นอย่างนี้ งูพิษเป็นอย่างนี้ไม่เป็นงูพิษเป็นอย่างนี้อักษรศาสตรเป็นอย่างนี้นะแล้วพอเราทำความเข้าใจตรงนี้เราก็จะพบว่าอ๋อเรารู้บทเดียวและปฏิบัติอย่างถูกต้องได้เพราะนั้นไอ้บทที่รู้เนี่ยเป็นบทไหนละ่ะบทไหนก็ได้ขอบทเดียวไหนละ่ะก็เช่นไม่เที่ยงก็ได้เช่นสติก็ได้เช่นความกระตันยูก็ได้เพราะนั้นจึงจะนาเนื้อหา นะที่พระเจ้าได้เคยสอนไว้ในเรื่องของปริยัติท้งนี้ทางนั้นก็จะนํามาจากหลักสูตรของนักธรรมตรีในะนักธรรมตรีหมวดของธรรมวิภาคเนี่ยที่เป็นเรื่องที่คนที่จะเรียนรู้ธรรมะเนี่ยได้ต้องทราบกันท่านไหนที่เคยผ่านการบทเรียนหรือว่าเรียนธรรมะบ้างนะครูบาอาจารย์บางท่านก็จะเอาเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักสูตรนักธรรมที่ทางมาเทรสมาคมได้เคยออกเอาไว้ทีนี้เอามาพูดเนี่ย ก็จะมาพูดในลักษณะที่มุ่งเข้าสู่วิมุตต์พุ่งเข้าสู่นิพพานทําให้คุณเป็นผรานถามว่าบทนั้นบทนั้นเนี่ยจะทําได้ยังไงเราก็มาเริ่มกันเลยนะนี่คือลักษณะของปริยัตที่ไม่เป็นองูพิษรู้บทเดียวพอปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทําปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามตามอยู่คุณชื่อว่าเป็นผู้สูตรรู้บทเดียวพอนะรู้บทไหนก็ได้แล้วคุณไม่เอาความรู้นี้ไปใช้ในทางที่ผิดนั่นแหละชื่อว่าดีแล้วปริยัตที่เราจะเรียนรูนะ้เป็นเรื่องของอักษรศาสตร รู้ไว้ดีนะถ้าไม่เอาไปสร้างปัญหารู้ไว้ดีแต่เอาตัวรอดได้แต่วันนี้เราจะมาเริ่มความรู้ตรงนี้กันเลยในภูมิของนักธรรมตรีท่านก็ระ บ, บุไว้หลายอย่างละไล่เป็นทีละข้อเลยนะพูดถึงธรรมะที่มีอุปการามะมากในเรื่องนี้ได้ตรัสไว้ในหลายหลายที่แล้วก็ครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆที่เป็นอัฐฐาจฉาริยะเนี่ยท่านก็มารวบรวมเอาไว้ในอังคุตระนิกายที่มาในพระไตรปิฎก ในหมวดที่มีสองข้ออันแรกนี้คือธรรมที่มีอุปการะมากมีสองอย่างอย่างแรกคือสติคือความระลึกได้ในอย่างที่สองคือสัมปชัญญะคือความรู้ตัวโอ้ยถ้าพูดเรื่องสติเนี่ยนะมันพูดได้ตลอดชีวิตอาตมาเนี่ยก็ยังไม่จบคำสอนของพระเจ้าทั้งหมดนะรวมลงที่นี่สติคืนก่อนที่พระพเจ้าคือหลังจากที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วนะเราก็ยังไม่ได้สอนใคร มันใครครวรพิจารณาดูว่าโอ้ยธรรมะที่เราตัสรุเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรจะสอนใครดีหรือเปล่านะพอตัดสินใจแล้วว่าโอ้ยไม่สอนแล้วกันมันจะเหนื่อยสามดีพรมก็มานิมนทรัธนาว่าขอให้สอนเธอนะผู้ที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยก็ยังมีุริชาพิจารณาใคร่ครวญแล้วก็เห็นด้วยกับที่สามดีบอกสามดีพรมบอกก็เลยมีความคิดว่าจะสอนเอาจะสอนแล้วจะสอนอะไรโอ้โห ความคิดแรกนะได้โผล่ขึ้นมาในจิตของพระพุทธเจ้านะสมณโคดมเนี่ยนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้โพตอนรนู้สึกจะเป็นใต้ต้นไทรนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไทรแล้วเนี่ยก็มีความคิดนี้เกิดขึ้นมาว่าเอ๊ะจะสอนอะไรดีเนาะความคิดนี้ก็โผล่ขึ้นมาว่าจะสอนเรื่องสติปัฏฐานทั้ง4นั่นคือสตินี่เองสอนเรื่องสติเนี่ยจะทําให้คนเข้าใจได้ นะสติในที่นี้คือความความระลึกได้หรือในบางที่ก็จะพูดถึงความไม่ประมาทความไม่เผอเรอนึกถึงได้อย่างเช่นเรานึกถึงบ้านอย่างเงี้ยนึกถึงหน้าคนใดคนหนึ่งนี่คือความระลึกได้สติเนี่ยที่พระพุทธาอธิบายไว้ในอีกที่หนึ่งก็คือแปลว่าความที่เราระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้แต่ทนะําไรเราทาสิ่งใดด้วยการมีสติ ไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการทำเนี่ยเราจะระลึกถึงสิ่งนั้นได้ท่านผู้ฟังเคยนึกถึงอย่างเช่นว่าไปสักที่ใดที่หนึ่งเราไปเจอคนเนี้ยโอ้ยนึกชื่อไม่ออกหน้ามันคุ้นมากเลยนะแต่นึกชื่อเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกโอ้ยม่รทํางไงนึกแมวนั่นคือระลึกไม่ได้ไม่มีสติในชื่อของคนคนนั้นเนาะแต่พอผ่านมาสักระยะหนึ่งจากกันไปละ ปรากฏโอ้นึกชื่อผางขึ้นมาเนะีชื่อของบุคคล น, นี้นึกขึ้นออกมาได้เนะี่ยทให้เราพบว่าอ๋อเรามีสติคือระลึกถึงชื่อคนนี้ได้อย่างพุทธเจ้าเคยสอนเรื่องอนาบานสติเนี่ยคือมีสติระลึกถึงลหมหายใจอย่างเช่นเราทํางานอยู่ใช่ไหมฟังรายการวิทยุอยู่เอา้าเราก็นึกถึงลหมหายใจไปด้วยเนะี่นึกว่าเอ้ยเรายังมีลหมหายใจอยู่เอามือแตะๆดูที่ปลายจมกูกมีอยู่ไหมเออมีอยู่เว้ยมีอยู่ก็ ชื่อว่าทำอนามพานัสติแล้วนึกถึงลงมหายใจแล้วหรือว่าเรานึกถึงว่าความที่เราจะเป็นคนดีอย่างเช่นว่าเราไปข้างนอกเนี้ยจะโกหกเออเราเป็นคนมีศีลไว้เราไม่โกหกก็แล้วกันอันนี้ก็เป็นศีลานุสตินึกถึงศีลของเราใช่ไหมหรือว่าเราไปข้างนอกเจ อ, อพระพุทธรูปเจอต้นไม้ต้นไม้โพอ้าวเจอเห็นต้นไม้โพเราก็นึกถึงโอ้พระพุทธเจ้าเคยตรัสรู้ใต้ต้นไม้แบบนี้นึกถึงพระพุทธเจ้า นั่นแหละคือพุทธานุสติเราไปสักวัดใดวัดหนึ่งเห็นรูปครูบาอาจารย์อาจจะเป็นหลวปู่ม่านหลวปู่สาวหลวปู่ไหนสักปู่หนึ่งนึกถึงครูบาอาจารย์องค์นั้นขึ้นมานั่นก็เป็นสังขารนุสตินะสติตรงนี้แหละที่เป็นธรรมที่มีอุปการะมากอย่างที่หนึ่งอันนี้พูดยอ่อๆเฉยๆนะสติตรงนี้จะเป็นธรรมที่เราทําให้แล่นไปสู่บีมุตได้นั่นยังไงมันต้องมาจบลงที่บีมุติ ยังไงมันต้องมาจบลงที่นิพพานยังไงมันต้องทําให้เราได้เป็นพระอาารรณ์สักวันใดวันหนึ่งไม่ชาตินี้ก็ต้องชาติต่อๆไปถ้าเราอย่างฟังธรรมอยู่มีสติอยู่ตลอดเวลาไม่เผลอเลยนะเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงยังไงมันต้องได้เป็นปราารพระอรรณ์ดังนั้นเป็นจึงเป็นธรรมที่มีอุปการะมากอย่างเวลาที่เราประสบปัญหาในชีวิตอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มีปัญหาอะไรกันน้ำท่วมใช่ไหมอดอยากใช่ไหมเข้ายากหมากแพงใช่ไหมปหัญหาเรื่องความเกลีกยดชีดแค้นกันใช่ไหม ถ้าคุณมีสติอย่างเดียวนะจิตที่มีสติเนี่ยมันจะผันแปรเป็นความอดทนได้จิตที่มีสติเนี่ยถ้าไปเจอกับพ่อแม่นะก็จะผันแปรไปความกระตันยุกตเวทีเจอกับลูกใช่ไหมก็จะผันแปรไปเป็นความเมตตากรุณาจิตที่มีสติใช่ไหมเจอกับข้าวยากหมากแพงใช่ไหมก็จะผันแปรเป็นความประหยัดได้เจอกับอาหารไม่พอใช่ไหมก็ผันแปรเป็นความอดทนได้เจอกับเสียงที่ไม่น่าพอใจใช่ไหมก็ผันแปรเป็นความสงบสงียมได้ เจอกับฝ่ายตรงข้ามที่เราไม่ชอบเขาเขามาทําไม่ดีกับเราไว้ก่อนใช่ไหมก็กลายเป็นความสามาัคคีได้ันะจิตที่มีสติเนี่ยจึงเป็นจิตที่มีอุปการะมากธรรมอย่างที่2ที่มีอุปการะมากก็คือเรื่องของความมีสัมปัชญะสัมปัชญะเนี่ยแปลว่าความรู้ตัวในบางที่ก็เรียกว่าประชานาตินั่นะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมในที่นี้พระเจ้าใช้คําว่าสัมปัชญะคือความรู้ตัวรอบคอบ มีในพระสูตรอื่นที่พระเจ้าได้พูดถึงว่าสัมปัญญะเนี่ยคือความรู้ตัวรอบครอบไปในการก้าวไปข้างหน้าการถอยกลับไปข้างหลังการแเดูแล้วดูการกู้การเหยียดการทรงสังกตริบาจิวรนการดื่มการเกี่ยวการลิ้มการไปห้องน้ําการถ่ายอุจจาระประสมบพพวกนี้คือรู้ตัวรอบขอบในรู้ตัวในการทำพวกนี้ในการทํากิจอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยซึ่งในกรณีนี้พระเจ้าบอกไว้ว่า พวกเธอทั้งหลายเนี่ยจงเป็นผู้มีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญะนะสัมปชัญญะก็คือในทุกอิริยบทในอิริยบทนี้ฉันก็รู้อิริยบทนั้นฉันก็รู้รู้ว่าทําอยู่นะแล้วก็ระลึกถึงสิ่งใดสักสิ่งหนึ่งก็ได้จะเป็นสิ่งที่เป็นลมหายใจก็ได้นะระลึกถึงลมหายใจก็เป็นอนาปานสติระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสตินึกถึงครูบาอาจารย์ก็เป็นสังขารนุสติ นึกถึงธรรมะมทใ ด, ดบทหนึ่งเอาธรรมะบทใ ด, ดบทหนึ่งมาใกร้ครวนก็เป็นธรรมานุสติซึ่งหรือว่าถ้าเรานึกถึงความดีของตัวเองศีลที่เรามีนะตั้งมันในศีลก็เป็นศีลานุสตินึกถึงพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วถ้าท่านทาความดีมาก็เป็นเทวตานุสติเพราะฉะนั้นเราทําตรงนี้จีนสตนิในทุกอิริยบทบางคนอาจจะเข้าใจว่า้ฉันทําสมาธินี่นะปฏิบัติธรรมะนี่ต้องนั่งหลับตาดูหนังตา อย่างเดียวนั่งนิ่งไม่คุยกับใครเดินช้าๆเก่งๆแล้วกออ็ตาขวางๆโอ้ยนั่นไม่ใช่แล้วนั่นไม่ใช่การปฏิบัติธรรมธรรมะเนี่มีอยู่ในทุกที่ทุกเวลาทุกสถานที่ตอนนอนก็ไม่เว้นฝันยังไม่เว้นเลยต้องมีธรรมะน่ะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงพูดถึงเรื่องสัมปชัญญะไงให้มีในทุกอิริยาบถแล้วมันต้องเป็นธรรมชาติธรรมะคือธรมมธรมชาตินั่นไม่ใช่ฝืนธรรมชาติ ฝืนธรรมชาตินี่คือฝืนอะไรฝืนกิเลสน้ะมันถึงเราทวนกระแสฝืนความเป็นไปของกระแสแห่งการมคุณก า, ารมารมเราฝืนเราต้องไม่ไปตามนั้นแต่ธรรมะเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติในที่นี้ก็คือว่าทําอย่างเป็นธรรมชาติน่ะไม่ใช่ต้องเกรงไม่ใช่ต้องขวางโลกไม่ใช่ต้องไม่ทําอะไรนั่งหลับตาดูหนังตาคนอื่นเขาแก้ปัญหาน้ําท่วมการแก้ปัญหา ในชีวิตประจําวันแก้ปัญหาในบ้านเมืองกันไอ้นี่นั่งเฉยเฉไม่ทําไม่ใช่อย่างนั้นทําให้อยู่ในงานอยู่ในงานเราทํางานในที่ทํางานอยู่ที่บ้านเราดูแลครอบครัวมีสามีภรรยามีลูกมีปู่ย่าตายายอยู่ในครอบครัวนั่นแหละคือธรรมะหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราจิตเรามีธรรมะใช่ไหมเราอยู่ในทุกเอเรบทเนี่ยทุกเอเรบทเรามีสติเนี่ยเราคุยกับแม่อยู่นะก็กลายเป็นการพูดดีมีสมาบาาัจญั เราดูแลมาดาบิดาอยู่นะดูแลปู่ย่าตายายอยูนะ่ก็เป็นความนอบนอบ้อมสงบเสงี่ยมไปพูดกับหัวหน้านะเจอหัวหน้าในที่ทำงานนะก็กลายเป็นความร่วมมือสามาัคคีเจอเพื่อนร่วมงานนะหรือว่าทำงานที่เราทำคนเดียว อ, อยู่หน้าคอมพิวเตอร์ทำงานหรือว่าอยู่หน้า ง, งานที่เราจะต้องมาพิจารณาเนี่ยคนที่มีธรรมาเนี่ยจะสามารถพิจารณาใคร่ครวนในโอกาสนั้นๆผ่านไปได้นะไม่ใช่ว่า มาไม่ทำอะไรเลยนั่นไม่ใช่ธรรมะนะธรรมะในที่นี้คือคุณทำอะไรด้วยจิตที่มีกาลังกำลังตรงนี้หมายถึงว่าคุณมีสติคุณมีสติทำให้จิตมีกำลังใช่ไหมมีสติในขณะที่ทำงานอยู่นั่นแหละคือมีสัมปชัญญะมี ส, มญญมสติพร้อมกับสัมปชัญญนะรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยนี่คือเรื่องของสัมปชัญญะสัมปชัญญะนี่ยังรวมถึงการขับรถด้วยนะถ้าเราขับรถอยู่มีมอเตอร์ไซค์มาปาดหน้า หรือว่านั่งรถเมย์อยู่เบรคกระทันหันโอ้โหมันจี้ขึ้นมาทันทีนานคุณไม่มีสัมปชัญญนะละคือต้องมีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญะมีสตอิอย่างมีสัมปชัญญะเนี่ยถ้ามีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาทําให้เราไม่พอใจนะสติตรงนี้จะล็อกไว้เลยล็อกไม่ให้จิตของเราเนี่ยเข้าไปในแดนลบไม่ให้จิตของเราเนี่ยมีอกุศลเกิดขึ้นอย่าให้มีความโกรธเกลียดเครียดแค้นด่าคนนู้นด่าคนนี้เพราะว่าถ้าจิตมันคุมอยู่เนี่ยปากมันก็ไม่ขยับไม่ขยับไปด่าคน น, ون, คนนู้นคนนี้ มือไม้มันก็ไม่ขยับไปตีสิ่งนั้นสิ่งนี้นะเพราะว่าจิตเราคุมอยู่คุมอยู่ยังไงคุมให้พูดดีคุมปากให้พูดดีคุมมือให้ให้ทำดีคุมกายให้ทําดีได้เพราะจิตคุมอยู่นี่จิตคุมอยู่เนี่ยไม่ใช่แค่ตอนนั่งสมาธินะคือหมายความว่าเวลาสิ่งที่ไม่พอใจมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่ได้มารอเราให้ทําสมาธิสัก5นาทีสิบนาทีนะอย่างสมมติมีคนมาด่าอาตมาเนี่ยอาตมาบอกโอเดียวเดียวเดียวขอนั่งสมาธิสักสักหน่อยก่อนแนะล้วค่อยดา่า มันไม่เป็นอย่างนั้นเวลาเขาจะด่าเราเวลามอเตอร์ไซค์มันจะมาปาดหน้าเวลารถจะเบรกกระทันหันเวลาจะเกิดอุท ก, กภัยเวลาจะมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันไม่มารอเราแม้ซักเสี้ยววินาทีหรอกนะให้เรามาทําจิตให้สงบแล้วเดี๋ยวค่อยไปเจอมันไม่ใช่มันมาตลอดเวลาถ้ามีปัญหาอยู่ตลอดเวลาเราต้องมีธรรมะอยู่ตลอดเวลาพราะพระเจ้าจึงบอกต้องมีสัมปชัญญะมีสติรู้ตัวรอบคอบมีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญะเป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นยังไง โว้ยจะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากอุปการะมากขนาดว่าทาให้คุณเป็นบาลานได้ไม่ชาตินี้ก็ชักชาติใดชาติหนึ่งถ้าเราทาต่อไปนี่เราอยู่ในในทางแล้วอยู่ในมรรคแล้วอยู่ในทางอยู่ในมรรคอย่างนี้เนี่ยนะจะทำให้เราเป็นผู้ที่ อ, อยู่ในแนวทางที่ทำให้ไปถึงคำสองพริชจ้าที่สุดได้ไม่มีทางอ้อมหรอกทุกอย่างเป็นทางตรงตรงเข้าสู่นิพพานขอรู้ธรรมหมวดเดียว รู้ทำหมดนี้แล้วเนี่ยจะสามารถทําให้เราพุ่งเข้าไปสู่นิพพานได้คือทางเนี่ยบางทีมันไกลาบางทีมันสั้นแต่ก็อยู่ในทางทั้งหมดใช่ไหมทางไกลาทางสั้นเนี่ยก็จะมีคุณประโยชน์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติอยู่เราเจอคนยากจนอย่างเนี้ยสติสติตรงนี้ในขณะที่เราเดินอยู่นะเราเดินอยู่เนี่ยเจอขอทานเรามีสติอยู่เนี่ยก็จะแปลเป็นความเมตตาเป็นการให้ได้เป็นจ า, ะาระคกันให้การบริจาคได้เนะพราะจิต ท, ที่เรามีสติจากสัมปชัญญะที่เราเดินอยู่ เราเดินอยู่นะไปเจอขอทานเราให้ได้นะเดินอยู่ไปเจอคนที่มีความเดืดร้อนต้องการความช่วยเหลือในขณะที่บ้านเมืองมีปัญหาเราไปช่วยได้นะอย่างเต็มใจอย่างมีความเสียสละอย่างเป็นผู้ที่รู้เหตุรู้ผลอันนี้คือสติอย่างมีสัมปชัญญะมันพลิกผันไปเป็นอย่างนี้ได้นเพราะธรรมะออกจากจิตจิตมีอะไรจิตต้องมีสติสติอยู่ที่ไหนสติอยู่ที่จิตสติอยู่ที่จิตสัมปชัญญะอยู่ที่ไหนอยู่ที่อริบท เพราะนั้นกายกับจิตมันจึงสัมพันธ์กันพระเจ้พาพูดถึงสติสัมปชัญญะเนี่ยที่ว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเนี่ยเพราะมันเรื่องกายเรื่องจิตไงจิตคือมีสตินะสัมปชัญญะคือเรื่องของอินิบทกายต่างๆนอนอยู่เดินอยู่กินอยู่นั่งอยู่เข้าห้องน้ำอยู่ห้องน้ําแบบไหนก็ได้นะมันมีสติออกมาได้เพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะจึงเป็นธรรมที่มีอุปการะมากนะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทพลาดพลั้งเผลเอ มีสติอย่างมีสัมปชัญญะรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่ในเนื้อหาเรื่องของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษในวันจันทร์ทุกๆวันจันทร์ในตอนต่อๆไปก็จะเอาเนื้อหาที่พุทธาติได้ตรัสไว้เป็นหมวดหมดนี่แหละจะเริ่มจากหมวด2องนะคือธรรมที่มีอุปการะมากในสัปดาห์หน้าจะพูดถึงธรรมที่คุ้มครองโลกนะคือฮิริโอตปะว่ามันจะพาเราเข้าสู่นิพพานได้อย่างไรในลักษณะที่ไม่เป็นงูพิษ ในลักษณะที่เมื่อรู้แล้วปฏิบัติแล้วให้อย่างถึงที่สุดแล้วจะเป็นผู้ที่เป็นผู้หูสูดได้นะรู้ทําแม้เพียงหนึ่งบทเป็นปริยัติที่ไม่เป็นงูพิดได้ในวันพรุ่งนี้นของรายการธรรมาราพุนก็จะเป็นตอนที่เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันก็คอยมาฟังติดตามฟังในทุกๆวันตลอด7วันทางสถานีวิทยุกระจาเสียงแห่งประเทศไทยถ้าท่านผู้ฟังมีคําถามข้อเสนอแนะหรือว่าสิ่งใดจะติดต่อกับทางทีมงานตั้งหน้าใหม่หลังใหม่ก็ให้ส่งมาได้ที่ เพียวธรรมะ .com ไปที่เว็บไซต์ www.puredhamma.com หรือว่าถ้าสะดวกในการเขียนจดหมายก็ให้ส่งมาที่สถานีวิทยุกระายเสียงประเทศไทยไปรษณีย์ยังทำงานอยู่นะฝนตกแดนออกน้ำท่วมเราไม่หวัน่นะถ้าเครื่องส่งยังมีอยู่เราส่งให้ท่านผู้ฟังฝั่งได้เขียนจดหมายมาได้ที่รายการธรรมะราบุรุณถนนสถานีวิทยุกระายเสียงประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิต อย่าไปใส่คลองวิภาคดีลังสิตธ่ะแล้วก็ดินแดงกรุงเทพ1น0่0พบกับรายการธรรมารับรุญในครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เจริญพร